ไม่รู้ไม่ชี้ความสุขหรือความทุกข์สุขทุกข์ก็เท่าเทียมกันอย่าสนใจในะครับเมื่อปิติอะไรเกิดขึ้นมาหรือรู้สึกสบายสบายขึ้มาอย่าไปสนใจมันยิ่งไม่สนใจยิ่งดีสนใจรู้อย่างเดียวแล้วไม่ต้องคิดขึ้นมาว่าเราจะรู้เพราะว่าใจนันรู้แล้วใจเป็นธรรมชาติซึ่งรู้อยู่แล้ว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 คือเขารู้อยู่เสมอคือเสมอต้นเสมอปลายเสมอตลอดเวลาจะซึมซึมก็ตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นเพื่อจะได้ สมสัดส่วนของความเป็นมนุษย์วันนี้ตั้งใจฟังครับเพราะว่าคุณจะเป็นบทสรุป ข, ของ เนื้อหาของการบรรยายทุกๆครั้งที่แล้วมาตั้งใจฟังให้ดีนะจัจะทํานั้นไม่อาจ ผนเข้ามาทางความคิดได้เพราะในกระแสทางคิดในห่วงความคิดนั้นเป็นเพียงแบบจําลองเดังนั้นผู้ศึกษาธรรมะด้วยการขบคิดนั่งคิดนอนคิดนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียนว่าเป็นเธอเป็นเพียงนักคิด เธอนั้นคิดพลานทั้งวันหาใช่ผู้ทรงธรรมไหมอย่างดีที่สุดของการกบคิดนะก็ทำให้แตกฉานพูดจารณไรได้มากแงามากมุมเท่านั้นแต่หัวใจหาได้บรรุถึงสัจธรรมข้อนั้นจริงไหมสัจธรรมนั้นือ่จะพูดด้วยภาษาชาบ้าน คือความจริงแท้ไม่แปรปรวนความจริงเด็ดขาดไม่เกี่ยวคำคนความจริงที่ยังยืนเป็นธรมตักรสัจธรรมนั้นจะปรากฏต่อหั ว, หวใจของผู้ที่ทรงธรรมนั้นหัวใจที่แน่ๆแจ่มใสหัวใจนั้นเป็นยอดจอมไปดุดกับยอดเอเวเรส เป็นจอมของหิมาลายดังนั้นแสงอรุณแรกของดวงอาทิตย์ย่อมจับที่ยอดดอยนั้นก่อนแล้วก็ฉาบไล้ลงไปทั่วจนทั่วผืนปัตตกีดังนั้นเมื่อพระธรรมเขจับที่หัวใจจะรู้สึกทั่วถึงเรือนกายมืซึมซาบพระธรรมที่เรือนใจนะครับเรือนกายก็จะไหวครับ เรื่องมี ก, กายเป็นสักขีเป็นสักขีพิยายนดังนั้นถ้าเราปล่อยให้อำนาจของกิเลสหรือความยึดถือหรือความไม่รู้ตัวรากจูงไปในห้วงความคิดบ่อยๆก็ชื่อวา่อวาเรากำลัง เดินมาในทางที่ผิดปีแล้วปีเล่าาก็จะค้นพบว่าเรามีความรู้เพิ่มพูนขึ้นแต่หัวใจก็เหี่ยวแห้งขึ้นเงินอาจจะมากขึ้นนะครับแต่น้ำสิ่งน้ใจมาตรีน้อยลงใจเรา มืดและดำขึ้นในขณะที่เราสะสมทรัพย์ที่ดินพังพวกบริวารได้มากขึ้นงนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการกระตรียมหัวใจของเราเพื่อที่จะให้หัวใจของเราไหวรับศัทธรรม จริงอยู่นะครับที่มีคำกล่าวว่าปัญญาเป็นจุดแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างใดเกิน แ, แสงสว่างนัน้นเพียงเครื่องส่องแต่การเข้าถึงเป็นการเข้าถึงทางใจสัจธรรมนั้นเปิดเผยขึ้นที่หัวใจเรา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 ในยามที่เราหลงทางครับสติปัญญานั่นเองจะบอกแล้วว่านี้กําลังหลงทางเมื่อเรารู้ว่านี้กําลังหลงทางนั่นคือทางประดุจเดียวคนที่ลืมตัวขันกําหนดรู้ได้ว่านี้กําลังลืมตัวนั่นคือการรู้ตัวในทุกาการกระทำ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 ตีจนทันแล้วก็แปรรับกระเบื้อแล้วก็จึ่งมุงกระเบื้องฐานรากที่สำคัญที่สุดนะครับคือธรรมชาติแท้ๆของเราความรู้ด้านประยัตินั้นไม่ใช่ฐานราก เขารู้ทั้งหมดที่เราจำมาจากผู้อื่นยังดีที่สุดบทบาทของเขาก็คือเป็นเพียงอนุสติเท่านั้นเครื่องเตือนจิตสกิจใจเท่านั้นตอเราเรียนรู้ประตายปิดดกได้หมดสิน้นท่องจำได้ทุกประคำภีทุกเล่มทุกประสูจน์สิ่งนั้นก็หาเอามาแก้ ปัญหาในภายในได้จริ ง, รงๆไม่อย่างดีก็ช่วยปลอประโลมให้ติดใจมีศรัทธาบ้างแล้วเป็นเพียงความเข้าใจคร่าวๆทารากทางด้านอารมณ์นะครับก็คือศรัทธาเนื่องจากสัจธรรมไม่อาจเข้ามาสู่ มนุษย์ได้โดยการคิดด้วยเหตุดวยผลสามัญดังนั้นต้องมีศรัทธาก็้าหนักแน่นในศรัทธาเพราะศรัทธานั้นเป็นพลังที่จะแปรเปลี่ยนเป็นสมาธิเพื่อที่เบิรกกรีดของหัวใจ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 ขับรถยนต์บางตอนนั้นต้องพุ่งไปข้างหน้าบางตอนต้องชะลอเมื่อจะเลีออ้ยวโค้งถึงบางช่วงต้องหยุดแล้วไต่ไปช้าๆแล้วก็ถึงบางตอนซึ่งเครื่องเสียและทางลาดลงจากหลายเขาก็ต้องประครับประคองแล้วไปถึงที่ที่หนึ่งอาจจะต้องกระโดดลงเพื่อให้พ้นจากอันตราย ถ้าหัวใจแล้วไม่มีศรัทธานะครับมันเป็นสัญญาณอันตรายแล้วศรัทธาน้อยพลังต่างๆสบียงกลังต่างๆในการเดินทางไกลชนิดนี้ก็จะน้อยเมื่นน้อยแล้วเพียงเดินทางไปพักเดียวเท่านั้นนะครับจ ะ, ะท้อถอยเพราะว่าลรงดึงดูดทางโลกมันสูง สิ่งยู่วยวนอารมณ์สนุกสบายมัยยาภาพต่างๆทั้งในตัวเองหรือสังคมเนี่ยมันมีแรงดึงมากกว่าในการเดินทางไกเกลับกลับก็ไปสู่หัวใจตัวเองนี่นะครับจะพบทั้งอุปสรร และการเอาชนะอุปสรรคได้ก็คือบารมูลเราจะพบทั้งความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแสนสาหัสเท่าๆกับความรื่นเริงเปิกบานใจเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคนั้นเป็นตอนๆแหล่งที่พักพิงที่เรียกว่าโอเอซิสครัท้ายโอเอซิสในเทือก า, าก็มีอยู่แต่หาใช่ถิ่นทาวอนไม่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 การเข้าถึงสัจธรรมนั้นเป็นการได้รับมาซึ่งสิ่งประเสริฐซึ่งสามารถจารณนแจกแจงเป็นหลายลักษณะลัทการสิ่งประเสริฐเลิศสุดสี่สี่ประกา ร, ร, ร, 4, 4 ร, การนั้นคือความมีไมตรีจิตมิตรภาพกับสรรพสัตว์ ฝังมสึกญาติดีกับคนทุกชนชาติในโลกนี้ไม่เลือกเพศผิวพันุ์มันนะะเป็นฝรั่งมังคาเ็กจีนพรามแคกจีนจามพรามแขร ก, ก็รู้นแล้วแต่เป็นรูปนามเป็นชีวิตชีวิตนึงเป็นอันเดียวกันตลอดแม้จะมีรูปทรงแปลก แต่ตัวชีวิตนั้นเป็นสิ่งเดียวกันจุดเดียวกันน้ำน้ำที่อยู่ในห้วยในบึงในคลองอยู่ในทะเลก็เป็นเพียงหนึ่งน้ำหรือเช่นเดียวกับไฟก็เป็นเพียงหนึ่งไฟนั้นสิ่งที่เรียกวเมตตานั้นคคือความรักสมัครสมานฉันไม่ใช่ความรักด้วยอารมณ์ คิดขึ้นแล้วมีอยู่จำเพาะร้านแต่ด้วยความจนหนักรู้ด้วยความรู้สึกที่ว่าสรรพชีวิตเป็นสิ่งเดียวกันีน่เป็นสถานที่หนึง่งเป็นสิ่งประเสริฐสุดสถานที่หนึง่งค้อความมีเมตรจิตมิตรภาพเห็นชีวิตทั้งหมดทั้งวงเนี่ยเป็นเพียงชีวิตเดียว สิ่งประเสริฐสถานที่สองหรือประการที่สองจากความรู้สึกที่มีไมตรีจิตมิตรภาพนีเองเกิดความสิ้นเวรสิ้นภยัยขึ้นจิตใจแคล่วคล่องการงานจึงโน้มนำไปสู่การสงเคราะห์เกื้อกูลจิ่งประเสริฐประการที่สองนี้เรียกว่ากรุณา อิจฉดลักษณะของการเคลื่อนไหวเข้าไปสงเคราะห์ในขณะที่สิ่งพิเสรประรการแรกนั้นเป็นเพียงจิตใจที่เป็นไมตรีเท่านั้นยังไม่ได้ทำอะไรให้สิ่งพิเศิสถานที่สที่เรารู้จักว่ามุทิตาคือพลายปราบรื่มยินดีกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จ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 ภาชนะใส่แก้วใส่โถแล้วก็ลื่นหกร้มข้างบ่อน้ำเสียงแรกที่ผมได้ยินคู่นี้ตะโกนว่าแก้วแตกหมดนั่นเป็นจิตใ จ, จซึ่งไม่ปราณีเพื่อนครัแทนที่คิดว่าโอ้คุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะเจ็บข่ามไม้แก้วบาดหรืไหมจิตใ จ, จผู้ที่ร่วมโมโนทนานนหรือนีกรุณาแม่จานเขาจะไม่คิดหลาย คนบางคนเสียดายแก้วไม่เสียดายข่าของมนุษย์หรือหน้าผากที่เลือดอาบจิตใจชนีนั้นว่าห่างไกลจากสิ่งประเสิรมากถ้าเราเห็นคนหกล้มคนใช้ของเราหรือน้องของเราที่เราใช้ถือสิ่งมีค่าสิ่งมีค่าประการแรกคือตัวเขาไม่ใช่แก้วน้ำ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 ถ้าเราได้ยินข่าวว่าใครพ้นทุกเราย่อมพรายยินดีใครสละกิเลสได้มากหรือใครได้ลาบสักการะเสียงสันเสริญจากการทำความดีของเขาเราควรพลอยยินดีชิงพระเสดสุดประการที่สีก็คืออุเบกขาความดำรงสติทำความรู้สึกว่าเป็นกลางๆ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 ไม่ใช่เมตตาไม่ใช่กรุณาไม่ใช่มุติตาคือปราศจากสิ่งเคลื่อนไหวปราศรอมหรือปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นท่านจึงถือว่าอุเบกขานั้นเลิศสุดเลิศกว่าเมตตากรุณามุติตาเพราะเป็นฐานเป็นศูนย์กลางที่จะสามารถเคลื่อนไหวเป็นเมตตากรุณามุติตาได้โดยฉับพลัน สิ่งนี้นึกษาควรตระหนักนะครับว่าพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเลิศได้ตรัสสิ่งเลิศไว้ในลักษณะเช่นี้พระสิทธิ์เที่ยเมตตาธรรมคําจุนโลกเราคุ้นหัมากครับแต่ผมคิดว่าเราไม่ค่อยจะทราบสิ่งจริงๆที่หัวใจของเราความทราบซิ่งในพระธรรมนะครับย่อมเกิดจากความรู้สึกตัวที่เด่นชัด ดูด ก, กระดาษซับที่แห้งสนิทเมือ่อตากไว้ที่หมึกมันจะดูดทันทีทันใดและเต็มที่จนกระทั่งหมึกที่หยดนั้นเปือดแห้งไปหมดเพียง <pe ek> ได้ยินพระวจนะสักประโยคหนึ่งสามารถดูดซึมเข้าไปเป็นวิตามินหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นนานปีและถ้าความรู้สึกดวงเรานั้นถือไม่ชับไว ต่อเรื่องราวในสิ่งที่ประเสริฐแล้วต่อ้เราได้ยินทุกวีทุกวันถูกกรอกเข้าหูทุกวันเราก็เหมือนกระดาษซับซึ่งชุบน้ำมันไว้เต็มที่แล้วดังนั้นพอไปรับหมึกมันก็ไม่ดูดขึ้นมาในทุงกล้องก า, การบริบัติธรรมนะครับเราต้องรอเลี้ยงจิตสำนึกให้สูงส่ง จะยอมลดจิตใจให้ตกต่ำเกือบกลัวเปสิ่งเป็นอบายหรือปากทางของอบายเช่นพรานพลาดชีวิตไปวันหนึ่งโดยสิ่งที่ไร้ค่าผู้เดินทางไกลเช่นนี้นะคะรับต้องควรที่จะกำหนดรู้ได้หรือควรที่จะเสาะหากรยานมิตรผู้ที่มีใจเป็นธรรมและเมตตาเพื่อที่จะได้หล่อเลี้ยงพลังศรัทธา เพียรเพื่อจะบรรลุถึงจิตที่หนึงแน่และเพื่อที่จะได้รับสิ่งกระเสริฐหลายหลายสถานเมตตานั้นแท้จริงก็คือความกระตัญญูรู้คุณคนด้วยแต่เราพูดเมตตาในฐานะผู้ใหญ่ทำกับเด็กหรือเพื่อนกับเพื่อนแต่ถ้าเด็กเมตตาปิดามารดาเราก็ยักยืงไปเรียกว่ากระตัญญู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 เขามีสิ่งที่เรียปรโมยวิหารเขาก็ได้เพิงพักที่มีที่มีเสาหลักอันแข็งแกล่งสีเสาเพิงนั้นก็ให้ความร่มรื่นจึงเรียกว่าวิหารอันประเสริฐนี่คือแหล่งพักพิงที่เป็นโอเอซิสกลางทะเลซายเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นกินเวลาชั่วขณะหนึ่ง แต่ก็ยาวนานตลอดชีวิตของเราเมื่อเราตั้งหลักรู้สึกตัวนั้นกินเซี่ยววินาทีเดียวเท่านั้นเราก็รู้สึกตัวได้แต่เราต้องดำรงมันไว้ตลอดชีวิตตลอดจนกว่าจะสิ้นอายุไขไมในชั่วโมงต้นๆนะครับผมได้ลราวถึงสัตธา เพาเป็นรากฐานที่สาคัญแล้วก็แม้ว่าศรัทธานั้นยังอิงแอบบุคคลอยู่คือเราเริ่มสายศรัทธาบุคคลก่อนแต่ในสุดเราต้องย้อนมาศรัทธาต่อการกระทารักที่จะเห็นตัวเองนี่ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะก่อเกิดความภาคเพียรขึ้นเพราะศรัทธานั่นเอง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 ตั้งสติบ่อยๆดังนั้นความเพียร น, นี้ต้องทำอยู่เสมอเพื่อให้สติเต็มเพื่อให้สติมีกำลังถ้าทำอย่างนั้นบ่อยๆสติก็ต่อเนื่องกันขึ้นก็กลายเป็นพลังของสมาธิขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียกร้องต้องการไม่ช้าไม่นานนะครับเมื่อพลังสมาธิชนิดที่เกิดจากสติเป็นต้นเหตุและความเพียรและศรัทธานั่น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 ยอมรู้ย่อมเห็นปฏิภาน์ไหวพริบความรื่นเริงใจก็จะตามมาก็ย่อมเห็นรู้ทางที่ดำรงชีวิตยอยู่ในโลกแต่อยู่เหนือโลกอยู่เหนืออารมณ์ได้เองซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องอิงหรือพึ่งผู้อื่นอีกไม่ต้องจางการเดินทางเช่นนี้ครับ เราจะต้องพัฒนาหลายๆสิ่งรอบๆตัวขึ้นมาด้วยเพื่อที่ให้เป็นฐานรองรับประดดเดียวกับเพชรซึ่งมีราคาแพงย่อมไม่มีใครที่จะเอาไม้มาทำเป็นแหวนเพียงเพื่อให้หัวเป็นเพชรหรือแหวนที่เรียนทองแล้วหัวเป็นกรวดดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนด้วยที่ต้องเข้าร่วมในการพัฒนาสังคม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 ก็อยู่สุขสบายเกินไปในชวงถัดถดมานั้นผมก็เอ่ยถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์คนแรกผู้เป็นต้นต่อของเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษยชาติจะมีจริงหรือไม่เป็นท่านผู้ใดนั้นเราไม่รู้แต่ว่ามนุษย์คนแรก